บัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องการปฏิบัติเพื่อมุ่งขจัดกิเลสประเภทนิวรนจะเรียกว่าเกิดขึ้นกรุ่มรวมใจนั้นด้วยการเพียรพยายามเพิ่มสิ่งที่ทรงกันข้ามกับนิวนรนก็คือผู้กุศลธรรมขึ้นมา เมื่อกำลังของกุศลธรรมมีกำลังมากขึ้นก็จะทำหน้าที่ลดละบัญเทว์า็กิกเลสเหล่านั้นให้ค่อยๆลดความรุนแรงลงไปโดยลำดับในส่วนของวิจิกิจฉาคือความเครือบแปรงสงสัยอันเป็นกิเลสประเภทโมฆะคือความหลงนั้นท่านได้แสดงว่าเอเกิดจริงๆก็เกิดขึ้นจากการไม่ได้ใช้ความคิด ในเรื่องนั้นๆโดยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมที่สำนวนสางศาสนาท่านใช้คําว่าด้วยบายวิธีแ ย, ยบคายอะไรเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏตามประสาทสัมผัสของคนเรานั้นเป็นการสะท้อนความจริงเพียงจุดหนึ่งเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความขนาดเกิดเคืองมักจะเกิดขึ้นจากจุดสัมผัสในตอนตน้น ไม่เคยได้มองเรื่องเหล่านั้นให้ลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆที่เรียกว่ามองรอบครอบรือมองรอบตัดพนหาความรักความชังก็บังเกิดขึ้นและแม้แต่เรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้ในเรื่องเหล่านั้นโดย่องแท้ก็กอให้เกิดความสงสัยเกิดความลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจตัวอย่างง่ายๆแม้เรื่องกฎของกรรมซึ่ง มีการศึกษามีการสัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ก็จริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังเครียดแครงสงสัยในเรื่องกฎของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเข้าไว้คําถามในเรื่องเหล่านี้จึงปรากฏทุกระดับชั้นของคนในสังคมและทุกส่วนของประเทศอาจจะเป็นทุกส่วนของโลกระจําไปเป็นการแสดงเห็นได้ว่าบาคนยังมีความเครียแครงสงสัยในเรื่องหลักนันู่น บางการที่จะใช้ความคิดโดยอุบายแยบขายหรือเหมาะสมถูกต้องเมื่อต้องอาศัยการสะสมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจงเข้าใจอย่างท่องแท้ขึ้นมาได้บงการกระจายความเคล่อบแคลงสงสัยก็จึงใช้ตรงกันข้ามที่ท่านเรียกว่าโยนิโสพนสิการคือการใช้ความคิดโดยแยบคายโดยรอบคอบโดยรอบดัน มองสิ่งทั้งหลายทั้งในส่วนลึกทั้งในส่วนกว้างในส่วนยาวตลอดทั้งส่วนสูงสิ่งนั้นๆแล้วจะเจาะลึกถึงแก่นแท้ของเนื้อหาสมบัติสิ่งนั้นๆที่ตนประสบในแต่ละขณะดตลอดถึงเก็บสะสมไว้ไปในจิตแต่การแท้ความคิดในแนวนี้ก็อีกแหละถ้าขาดประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นหรือมีประสบการณ์ไม่มากพอการตัดสินวิจัยก็คงถูกต้องไม่ได้ นแ น, นวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆท่านจึงเน้นไปที่ศรัทธาในเบื้องต้นโดยสายการยึดถือประพฤติปฏิบัติจากประสบการณ์ของผู้ที่สัมผัสตรงในเรื่องเหล่านั้นมาที่ตรงใช้แนวมงคลชีวิตว่าไม่กบผ่านก็ก็บรรลุจุดประสงค์ในการคอบบรรลุดก็เพื่ อ, เ พ, อเพื่อต้องการจะเรียนรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงามจากท่าน ยืดถือคำสั่งสอนของท่านเป็นแนวในการปฏิบัติเมื่อสัมผัสผลด้วยใจตนเองแล้วจึงสามารถวินิจฉัยตัดสินได้ว่าสิ่งเานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ตอนแรกก็อาศัยศรัทธาไปก่อนแตน่ันกณะเดียวกันก็ละเลยการพัฒนาปัญญาไม่ได้เพราะใดไรเพราะว่าหากศรัทธามีเพียงลำพังก็จะกลายเป็นความงมงายได้ไง่ายคอยเกิดอาการสยบติดโดยการยอมจำนนในเรื่องต่างๆ โดยไป ม, มองโดยเหตุโด้วยผลให้ถูกต้องชัดเจนดังั้การเสริมสร้างประสบการณ์ในส่วนนี้เพื่อจะให้เกิดความคิดที่มีเหตุมีผลสามารถใช้โยนในโมภณสิกาในปัญหาต่างๆได้จึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้ที่ท่านเรียกว่ามีประสบการณ์ตรงหรือเป็นประวสูตรในเรื่องนั้นโดยอายการได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นต้นไว้มาก แล้วทรงจำเรื่องราวเหล่านั้นไว้ได้บางเรื่องที่เป็นกฎเกณฑ์หลักการสาคัญสําคัญเป็นหัวใจของเรื่องเหล่านั้นก็ท่องไว้บาเรื่องก็ท่องจนขึ้นใจแล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดยามเหตุมีผลเป็นการเสริมสร้างพวกโยนินโสมนัสการคือสะสมโยนินโสมนัสการให้มีกําลังมากพอจะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้น ปัญธมคุ่มนี้จึงทรงสอนไว้ในที่ต่างๆเป็นนันมากศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาโมหะตรงกันข้ามกับปัญญาแต่เรายังมีความสงสัยหรือความหลงอยู่ปัญญาก็ไม่มีกำลังมากพอเพราตนนอนคล้ายๆกับอยู่ในที่มืดจะเห็นอะไรให้ชัดเจนไม่ได้ดท่านเองาอเราต้องการจะเห็นชัดเจนมราก็ต้องเพิ่มแสงสว่างขึ้น แสงสว่างที่เกิดขึ้นก็ช่วยกระจัดความมืดให้ธรรมประเภทปัญญาจึงได้รับยกย่องว่าเป็นแสงสว่างในโลกที่สามารถกระจัดความมืดบอดภายในใจโดยใช้เบื้องต้นก็คือประสบการณ์ในกล่าวในนี้เรื่องบางเรื่องแม้เราจะมีประสบการณ์ในการฟังการอ่านตหรับตําร า, ต, ราต่างๆก็ตามแต่ว่าปัญหาข้อข้องใจสงสัยมันก็มีมากกว่านั้น ต้นนิชัยคำวให้มากโดยการสอบถามการซักถามการไต่ถามผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องดอกนั้นวันนี้จะพบว่าประธรรมเทศนาของพระเจ้าเป็นนันมากที่เกิดขึ้นจากการสอบถามแต่พูดได้ว่าพวกชาดกทั้งหลายจึงมีถึง550เรื่องก็เกิดขึ้นจากการสอบถามนั่นเองจะยังมีพระสูตรเป็นนันมากแม้มงคลระสูตรที่เรารู้กันก็เกิดขึ้นจากการสอบถามทูลถามของพระสงค์ ตอบพระพุทมีพระกาพระองค์ก็ทรงแสดงทั้งความจริงในเรื่องนั้นแต่การสอบถามนั้นจะมีอยู่หลายลักษณะสอบถามประการแรกคือถามเพื่อกะจัดความสงสัยเราเ ค, ครอบแคลงสงสัยเราไม่แน่ใจในเรื่องนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอย่างไรก็สอบถามจากท่านผู้รู้เมื่ท่านชี้แจงท่านอธิบายก็รับฟังเอาไว้แล้วก็จำทรงไว้แต่ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะถูกต้องสมบูรณ์ก็ได้อาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ได้แต่ว่าควรรับฟังไว้ในตอนตอน้นอย่างท่านใช้คําว่าการฟังนั้นเราเคารพมติของผู้พูแต่การจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเคารพมติตัวเองที่ยุติ ด, ด้วยเหตุผลการถามบางอย่างเป็นการถามเพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เรารับรู้มาแต่ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรารับรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ก็ลองถามเทียบเคียงกับท่านดูถาาว่าท่านมินิจฉัยมาแล้วก็ถูกต้องในเชิงเนื้อหาก็ถือว่าสิ่งที่เราจําทรงมานั้นก็มีความถูกต้องอีกประการหนึ่งถามเพื่อรับการอนุมัติหมายความว่าเราก็ทราบเนื้อหาเหล่านั้นอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ถามท่านไปจริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ถามง่ายๆเวลาตอบท่านก็ตอบง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่ ารถามบางอย่างนั้นผู้ถามต้องการจะชี้แจงอธิบายซะเองคล้ายๆกับผู้ใหญ่ที่ถามผู้น้อยจรนี้เข้าใจไม้เรื่องนี้รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรนี้ถ้าเขาเข้าใจอยู่แล้วรรู้เรื่องอยู่แล้วก็จบกันแต่ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องทั้งก็จะชี้แจงทั้งจะอธิบายเกิดความเข้าใจเป็นการถามด้วยความอนุเคราะห์ต่อผู้ฟัง แล้วาบางเรื่องก็ถามเพื่อจะคัดคอเพื่อจะหาเรื่องทะเลาะวิวาทกาันซึ่งแนวหลดนี้พระศาสนาไม่สนเสริญถือแทนที่จะเกิดประโยชน์เสริมสร้างความรู้มันอาจจะลดโมฆะแต่มันจะเพิ่มโทสะซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเป็นการลดกิเลสเพื่อเพิ่มกิเลสวิธีการปฏิบัติในทางศาสนานั้นเมื่อลดกิเลสจะต้องเพิ่มธัรมะในการกระทาบางอย่างสังเกตว่าเรารู้สึกเราลดกิเลสจุดหนึ่งแต่เพื่อเพิ่มกิเลสอีกจุดหนึ่ง คำถามลักษณะนี้อาจะเริ่มต้นมาจากความคิดความคิดแข็งตีความคิดท้าทายแล้ว่าดูหมิน่นผู้ที่จะตอบคําถามแล้วก็ถามออกไปเพราะงั้นใจในขณะนั้นมันก็ไม่ปกติแล้วแต่ว่าท่านตอบไปเราคงไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะมีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์าการจะถามอะไรก็ตามจึงต้องอยู่ที่พื้นฐานการยอมรับนับถือสถานะของคนที่เราถามแต่มุ่งที่จะกระจัดปัญหาส่วนตัวไม่จะมุ่งทําลายล้างใคร กุศละเจตนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในกระดีทั้งปวงสำหรับพุทธศ า, าสนาชนประการต่อไปนั้นมีความรอบรู้ชนานาญในวินัยคือกฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนต่างๆซึ่งว่าจริงแล้วผู้กฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนเหล่านั้นก็เป็นธรรมะในรูปที่วางขึ้นเป็นกติกาวางขึ้นเป็นระเบียบวางขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ เพื่อปรับวิถีดำเนินชีวิตของบุคคลให้เข้ากรอบของธรรมะซึ่งอันที่จริงก็เป็นธรรมะเพียงแต่ว่าจะใช้แนวสั่งสอนในตอนต้นของธรรมไม่ได้มันก็วางขึ้นมาเป็นกติกาทั้งหลายอย่างพวกศีลพวกวินยัยพวกกฎทั้งหลายไปสังเกตว่าจริงๆก็คือเขาก็คือธรรมะแต่ถ้าสอน มันก็ไม่เกิดประโยชน์าะงนั้นก็มีมาตรการในการลงโทษในการยกจ้องในการตาหนิตามสมควรเกณกรณีของการกระทําสำหรับบุคคลนั้นๆันราั้นความจะนิจจำนาในเรื่องเหล่านี้มึนจะสามารถจะมองจากจุดนั้นแล้วก็เชื่อมเข้าไปหาในจุดต่อๆไปได้เพราะถ้ามีจุดเริ่มต้นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรจะยกตัวอย่างศีลทั้งหลาสมถานไปแล้วที่จริงก็คือธรรมะแล้วก็เอามาวางไว้เป็นกติกาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกรรันโดยปกติสุขของบุคคลภายในสังคมเมื่อบุคคลได้ศึกษาคุณของศีลและโทษของการไม่มีศีลมันก็ก่อให้เกิดการรู้ชาติเห็นชาดิั้งสองด้านความไม่มีศีลก็คือจิตที่ตกอยู่สู่กระแสของบาปของกุศลก็ทำให้เราทราบโทษของบาปของกุศล ซึ่งปรากฏเป็นพฤติกรรมการกระทำของบุคคลทั้งหลายเป็นความรุนแรงเป็นอัตยกรรมที่ปรากฏในจิตต่างๆตลอดถึงเป็นมายุรทธสงครามที่มีการล่างผ่านมีการต่อสู้กันที่จริงก็คือแรงผลักดันของกุศลนั่นเองที่ท่านนำมาห้ามไว้ในบทของศีลแต่เนื่องจากความเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธนานกยอมรับรับถือวิญญาณของมนุษยชาติ วิจารยณที่ใช้วิเคราะห์ตัดสินวิจัยทั้งหลายเพราะงั้นในแนของศีลเองก็มีรูปของการสร้างกิจสำนึกมากกว่าที่จะเป็นข้อห้ามเป็นความสมยอมพร้อมใจเป็นความสมัครใจของบุคคลที่ต้องการจะสมาทานศีลก็อาราธนาศีลก็มีการให้ศีลสมาทานไปแล้วรักศีลไปแล้วก็ไม่มีใครตามเข้าไปควบคุมว่ารักษาได้หรือไม่ แต่อยู่ที่จิตสํานึกของบุคคลผู้นั้นจะรับผิดชอบในสัจจะปริญาณที่ตนให้ไว้ต่อพระทั้งใครหรือไม่สัวจะทิฏฐานในตอนอทิฏฐานใจไว้ว่าจะรักษาศีในนั้นอยดีหรือไม่คนผู้รับผิดชอบจริงๆก็คือคนที่สมัถรฐานสีไปมเมื่อใจเดินไปถึงจุดนี้ก็จะเห็นเรื่องความรับผิดชอบกับความไม่รับผิดชอบจุดโทษของการไม่รับผิดชอบแล้วก็คุณของการรับผิดชอบ ถ้าไมมีความเข้าใจในยะอื่นขึ้นไปได้เรื่ยๆซึ่งบางครั้งก็นำมาแสดงเอาไว้จะในกระบวนการของศีลแต่ละข้อนั้นตอนแสดงระดับศีลถ้าจะแสดงเพียงในยะใดในยะหนึ่งก็จะหนึ่งในสี่หรือว่าหนึ่งในห้าส่วนของเป้าหมายที่ต้องการจะสอนจริงๆแต่จะนำมาสอนหมดใน ต, ตอนต้นก็จะพูดกันไม่ได้แล้วคนจะไม่ยอมรับก็รู้สึกว่ายุ่งยากเกินไป ก็ใกล้ๆกับการศึกษาในวิชาการต่างๆที่เรานํามาศึกษากันต้องการจริงๆก็คือต้องการให้คนจบระดับอุดมศึกษาไปเลยแต่เนื้อหาวิชาการเหล่านั้นก็ตัดทอนมาสอนเป็นตอนๆไปโดยไม่จะเอาเนื้อเนื้อวิชาทั้งหมดมาสอนแม้จะเป้าหมายจะอยู่ที่เนื้อหาวิชาทั้งหมดก็ตามแต่ก็สอนไปเท่าที่ผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้ในชั้นในวัยในระดับนั้นๆได้ ธรรมะปิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะในเัิงของศีลเป็นตัวอย่างปาฏิบาติจึงเป็นศีลข้อแรกแล้วก็มีความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพชีวิตคนและ ก, การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมทั้งกตสอนแค่เจตนาวิรัติงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายแต่จุดมุ่มงหมายจริงๆก็มุ่งอภิบาลมุ่งคุ้มครองชีวิตของการแักกันองค์ปฏิบตัติคือกูรต่อชีวิตของการแักกัน โดยเมตตาทำเป็นฐานแต่นี้กาสอนเมตตามันก็ไปไม่ได้ใจคนอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับบุคคลบางคนเพราะฉนั้นยังไงก็ขอเพียงแต่ให้งดเว้นไปก่อนคือย่าถึงไปทําลายชีวิตกันก่อนถ้าหยุดตรงนี้ได้ต่อไปเราจะพบว่าวัตถุวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการฆ่าการเบียดเบียนก็ไม่มีความจำเป็นอะไร ก็จะยุติการพกพาการสะสมการซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมาไว้อันเป็นเครื่องหมายของความโหดร้ายความรุนแรงต่อไปเมื่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นสตื่นก็จะมีการระมัดมีกา ร, ระมัระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อสวัสดิภาพในชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ต่อไปใจิตใจก็จะมีเมตตามีความเอ็นดูมุ่งอนุเคราะห์ช่อเหลือเขาตอนแรกก็เป็นการป้องกันภัยต่อมาก็อภิบาลรักษาคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนแต่ก็มีจุดเริ่มต้นแค่จุดเล็กๆก็คือเรื่องของศีลแต่ละข้อเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญคือปฏิบัติได้แล้วท่านสาธาทหลายเจนว่าวินัยหรือศีลที่เรามีความชำนิชำนาญน เป็นการรักษาโดยไม่ต้องรักษาเป็นการสำรวจระวังโดยไม่ต้องสำรวจระวังคือเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำไปได้ด้วยอัตโนมัติการเคลื่อนไหวการกระทำก็จะเป็นศีลไปการพูดก็จะเป็นศีลไปเพราะไรเพราะว่าจิตสํานึกในเรื่องศีนั้นเข้าถึงใจจนกลายเป็นความจำนี้จำนานเรื่องจำนี้จำนานว่าเรื่องอะไรกระตามจะทําได้ด้วยอัตโนมัติและทําได้เร็ว เพราะใดเพราะมีความรอบรู้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องดอนนั้นทําให้เกิดสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องปฏิบัติการของคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องนั้นจะไม่มีความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่แน่นอนการพัฒนาสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่ซึงคนส่วนใหญ่แล้วจะบกพร่องคนที่มีสติสมบูรณ์จริงๆก็มีเฉพาะพระรหันเท่านั้น แม้คนระดับที่เป็นพระยาบุคคลระดับโซดาสกิตาคาร์นาคาก็ยังมีปัญหามีจุดบกพร่องในบางจุดถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตามด้านการฝึกปลือจนชำนิชำนาญว่าเรื่องอะไรก็ตามหรือทําได้ทําดีทําเป็นเข้าจะทำจะใช้เวลาน้อยทํางานได้มากแล้วก็รวดเร็วแม้แต่ภารกิจการงานต่างๆที่เราทําจนชํานาญเราสังเกตว่าจะทําได้เร็วกว่าคนอื่นจะทำได้คล่องแคล่วสวยงามประณีต ป, ปัญจงยิ่งกว่าคนอื่น เลยต้องบอกว่าตาสายการฝึกการฝึกปรือการทําเรื่องนั้นทำํำซ้ำๆทําทแล้วทําอีกทําจนเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติดังกล่าวประการต่อไปก็คือการเข้าเกี่ยวข้องพบหาสมาคมกับบุตรบุคคลคือผู้ใหญ่คบผู้ใหญ่ในที่นี้เน้นจริงๆก็เน้นที่ผู้ใหญ่ซึ่งทรงธรรมรมีธรรมทรงธรรมมีความรู้ธรรม เพรในมงคลระสุดที่เรียกว่าบัณฑิตในที่บางแห่งใช้คำว่าสัตวบุรุษในที่บางแห่งก็ใช้คำว่านักปราชญ์คือสรุปว่าเป็นคนดีคนที่มีพื้นฐานทางความรู้ทางความบริสุทธิ์แล้วก็ใจกรอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายการเข้าพรรษสมาครมกับบุคคล น, นั้นมีแต่ได้ประโยชน์แต่จะได้ประโยชน์จริงๆนั้นพระเจ้าทรงแสดงรูปของการเคลื่อนไหว อีกเป็นการปรับกายวจาใจของบุคคลให้มีความพร้อมที่จะรับโอวาทคำแนะนําสั่งสอนของท่านทั้งหลายเพราะโดยปกติแล้วสัตบุรุษหรือบัณฑิตนั้นจะให้อวาทแนะนําสั่งสอนชี้แจงอธิบายเหตุผลเหตุผลแก่บุคคลทั้งหลายในการพูดของท่านก็ชี้เฉพาะทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีคือไม่ได้ชี้เฉพาะส่วนในส่วนท่านเหล่านี้จึงเป็นที่รักของสัตบุรุษ เป็นทีรักของคนดีคนที่มีพื้นฐานดีทั้งหลแต่จะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของอาศัตรษเพราะไปพูดในลักษณะแทงใจดำคือถูกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลนั้นนั้นเราจึงพบว่าคนเราจะกระทำความดีอย่างไรก็ตามในสังคมนั้นมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนดีเวลาทำความดีนั้นจะถูกขัดขวางจากคนไม่ดี เพราะไปทําลายผลประโยชน์จริงที่เขาเคยได้เคยมี ค, มครอบครองเราจึงทราบเรื่องราวการต่อต้านพระพุทธเจ้าของนักบวดนอกาศาสนาทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเป็นนั้นมากบางครั้งมากก็รุนแรงเหลือกินคือถ้าเรามองจากมุมของพระพุทธเจ้าเกรนว่าเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมยินดีในการทํางานของพระองค์เพราะเป็นผู้นำครอบโลกจริงๆ สัตว์ปรหุหก็มองได้อย่างนั้นแต่อสัตว์ปรหุหนั้นจะสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นนั้นมากซึงบางครั้งบางคราวในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นยุคสมัยของพระเจ้าสุกที่ออกมาเป็นพรน ร, ราชโองการห้ามการฆ่าสัตว์ห้ามการบริรรปโภคเนื้อสัตว์ซึ่งในเรื่องเหล่านั้นมันก็ไปทําลายทั้งเศรษฐกิจเขา ทำลายผลประโยชน์ต่างๆที่คนเคยได้เคยมีเคยเป็นจากเรื่องของสัตว์ในพวกนักบวชนอกาศาสนาเรื่องต้องใช้พิธีบูชายันต้องฆ่าสัตว์เป็นอนมากขาเขได้ประโยชน์จากการบูชายันญการค่าสัตว์เหล่านั้นก็สูญเสียผลประโยชน์ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวกันค่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์การในพวกเนื้อสัตว์เป็นต้นมันก็กระทบกระเทือนพราะราชบงการเจ้าโศกอยู่มาไม่เท่าไหร่ก็ถูกล้างราชบง ไปขัดขวางผลประโยชน์ของบุคคลดังนั้นเพราะงั้นถ้าเรามองจากสายพระเจ้าโศกก็เป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์คือกูลแก่คนเป็นนัานมากแต่ก็มีคนสูญเสียประโยชน์อยู่เสมอแต่นั้นสัตว์บุรุษจึงนิยมยกจ้องสัตว์ุรุษแต่ว่าอาสัตว์ปรุษคือคนชั่วนั้นจะไม่นิยมยกจอ้องพื้นฐานเหล่านี้ก็คงอาศัยปัญ ญ, ญาที่พิจารณาแยกแยะถึงใครเป็นสัตว์ุรุษหรือไม่สัตว์ุรุษ จะเป็นผู้เจริญด้วยคุณทำความดีหรือไม่เจริญด้วยคุณทำความดีแต่เราพูดถึงคุณธรรมความดีนี่ออกจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่นั้นจะปรากฏในรูปของคนดีเพราะเป็นภาพลักษณ์ที่จะดึงดูดศรัทธาภาษาทจากบุคคลทั้งหลายแต่พื้นฐานจริงๆนี่เขาเป็นยังไงรเราก็ไม่ทราบได้เพราะในแนวพระพุทธศาสนาศาสน า, าสาา่วนใหายจะเห็นว่าการวิเคราะห์ตรวจสอบคนดีนั้น มันมีกฎเกณฑ์อยู่ที่ประสังคุณประสังคุณข้อไหนประสังคุณสี่ข้อแรกที่เราสวดสรรเสริญกันไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระสงฆ์แต่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นคนดีก็ได้แก่สุปฏิปโนโนเป็นคนปฏิบัติ ด, ดีได้แก่ปฏิบัติชอบตามธรรมะปฏิบัติไม่เป็นขั้นศึกเกิดใครๆปฏิบัติในลักษณะไม่ถอยหลัง คืออะไรที่ทําดีได้แล้วก็อย่างน้อยก็รักษาความดีจุดนั้นไว้ได้แล้วก็พยายามเพิ่มพูนต่อไปแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่เพิ่มปัญญาเพิ่มเหตุผลให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตรงกระทงตกกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นๆ ปฏิบัติเป็นธรรมยุติด้วยธรรมผสมกลมกลืนโดยธรรมมีผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านในเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นและปฏิบัติสมควรก็คือไม่ตกเป็นาธาตุของกิเลสคำว่าสามีแปลว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นใหญ่เหนือกิเลสโดยความหมายสมบูรณ์จริงๆก็หมายปลายบุคคลได้แน่นอนบุคคลทั่วไปก็อยู่ในโครงสร้างตอนนี้เการวิเคราะห์ตรวจสอบหรือจะดูตรงนี้มันก็ดูง่าย แต่อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าคนทั้งหลายนั้นมักจะปรากฏในรูปของคนดีพระเจ้าจึงทรงสอนไว้ในจุดนี้ว่าให้ดูแล้วก็มีการสังเกตมีการพิจารณาจะทรงใช้คําว่าความเป็นผู้มีศีลจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆจะต้องสังเกตจะต้องพิจารณาจึงจะรู้ได้ทำไมสังเกตไม่พิจารณาจะรู้ไม่ได้ ปัญหาทั้งหลายนั้นเป็นการบ่งบอกให้ทราบชัดว่าแม้แต่เรื่องคนดีหรือว่าสิ่งที่ดีก็ไม่ใช่ดูเพียงประเดี๋ยวประดาแต่ต้องมีการตรวจสอบ พ, พิิจารณาไปเรื่อยสังเกตสังกาไปเรื่อยจนแน่ใจตัดสินใจลงไปได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ลงใจเข้าพบผาสมภมเชื่อถือแก่ท่านเหล่านั้นต้ น, นเบื้อเกิดความสะดวก ท่านก็มีประเภทของบุคคลเอาไว้เช่นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะเป็นบุปการีเป็นเศทพบุคคลเป็นผู้จเจริญในสกุลเป็นต้นซึ่งใน่ใจว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างน้อยก็แกเราสามารถที่จะเข้าเข้าผ่าสมาคมเกี่ยวข้องบุคคลเหล่านั้นแต่ถาหากว่าท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าจเจริญด้วยคุณธรรมความดีจริงๆก็พระเจ้าทรงใช้ว่าให้มีศรัทธาแล้วเข้าไปหาท่านแล้เข้าไปหาก็นั่งใกล้ มานั่งกลายก็ตั้งใจฟังทำในขณะที่ฟังก็เงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความไปเรื่อยๆจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นและนํามาย่อยโดยกระบวนการดังกล่าวเพราะฉะั้นแนวการย่อยแนวการคิดอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์เนี่ยจึงต้องใช้ทุกเรื่องไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของวินยัยหรือเกี่ยวกับ ก, การเข้าหาสมาคมกับผู้ที่มีความเจริญก็ตามและแม้แต่ ถ้าทำคำสั่งสอนงพุทธเจ้าเองพระเจ้าก็สอนให้คิดในพิจนาเสีย ก, ก่อนไม่ได้ด่วนแตะัดสินใจเชื่อไปในทันทีทันใดประการต่อไปนั้นคือเรื่องของคนอื่ น, นจะอาจจะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดสนิทสนมกันถรงใช้คำง่ายๆว่าคบหากับการละยายนามิตรก็คือคนดีแต่คนดีในที่นี้ก็เน้นทั่ ว, วไป คือไม่ใช่เป็นผู้เจริญโดยคุณธรรมที่เราจะให้ความเคารพนับถืออย่างนั้นแต่มองในแง่ที่จะร่วมหลักความคิดการร่วมกิจกรรมการรว่วมผลประโยชน์กันการสังเกตว่าใครเป็นกัลรรยาณมิตรหรือไม่กัลรรยาณมิตรทั้งกรสอนในสังเกตว่าบุคคลนั้นมีการประพฤติมีการกระทําในลักษณะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหรือไม่หรือแก่คนอื่นหรือไม่ เขามีตั้งจิตคิดจะอุปการะหรือไม่เราแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรักความบังดีหรือไม่แล้วก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือไม่เรื่องกัลยาณมิตรคือการเข้าหาสมาคมกับคนดีนั้นพระนนท์เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรนั้นก็คือกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คือกึ่งหนึ่งของวิถีชีวิตที่ประเสริฐ พระพุทว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นที่จริงมันเป็นตัวมันเอคือเป็นตัวของพระหมจารย์เป็นตัวของการประพฤติปฏิบัติความดีดแต่กัลยาณมิตรในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นจะหมายทั้งรูปธรรมคือส่วนบุคคลที่เราจะต้องเผ่านสมาคมแล้วก็ส่วนของธรรมะที่จะต้องโอปัญโกคือน้อมนามาประพฤติปฏิบัติเพราะนับุคคลทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรได้พระิยะส่งเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ชี้ทางถูกต้องดีงามไม่ให้ปรากฏเป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นอันมากเมื่อถือตามปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นบางเรื่องที่เรายังไม่พร้อมจะคิดอย่างมีเหตุมีผลคือไม่มีข้อมูลมากพอ <c oughs> ก็ใช้สถานะไปใช้ความเชื่อว่าข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ข้อนี้พระาอาจารย์ทรงแสดงเอาไว้ข้อนี้ปรากฏในกมปีพระไตรปิฎกข้อนี้พ่อแม่ปุญญาตายาย ท่านบอกกล่าวท่านชี้แจงแนะนําเอาไว้ตอนนี้ก็ใช้ศรัทธาเพราะศรัทธาจึงทำหน้าที่กขจัดความเครีบแครงทั้งสายใดและยังไงยังไงชีวิตเราก็ส่ดหนึ่งก็ต้องอาศัยศรัทธาอยู่ตลอดเรื่องบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตเท่าไรแต่เราก็ไม่มีปัญญาพอจะวินิจฉัยได้ตลอดมันต้องอาศัยศรัทธาํานองใกล้ๆกันเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งหรือว่าทำสิ่งในสิ่งหนึ่งแล้วเกิด ไม่รู้สถานที่ไปหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะถามคนธรรมดาสามัญอาจจะถามเด็กอาจจะถามผู้ใหญ่อาจจะถามชาวน า, า จ, จะถามกรรมกรที่ก็มีความ ร, ารู้ในเรื่องเห่นั้นซึ่งแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อเขาแต่ว่าในจุดนั้นในสถานทนั้นเราก็เชื่อเขาเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในที่นั้นเขาย่อมรู้ในจุดเหล่านั้นแต่นั้นศรัทธาจึงคงต้องใช้ในกรณีต่าง แต่โดยมีปัญญาเข้าเทียบเคียงตัดสินข่อนที่จะเชื่อด้วยตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป